สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงกฎแห่งความเป็นความตายซึ่งเป็นกฎทองคํากฎที่4นะครับของด็อกเตอร์ฟิลิปเทงครับความสําคัญของกฎแห่งความตายเมื่อวานนี้เราเริ่มต้นไว้ว่าความหมายของความตายก็คือต้องตายต่อบาป และการต่อสู้กับบาปนั้นก็มี4ขั้นตอนครับก็คือรู้ว่ามีบาปเสียใจเพราะบาปสารภาพบาปและขอการอภัยโทษให้พ้นจากบาปในวันนี้ครับเราจะมาดูว่าความหมายความตายประการที่สองก็คือตายต่อโลกนั้นเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้ได้พูดถึงเรื่องของตายต่อบาปแล้วนะครับตายต่อโลกเป็นยังไง ให้เรามาดูพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันครับกาลาเทียบทที่ 6: ข้อ14โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าโดยกางเขนนั้นโลกตรึงไว้แล้วจากขพเจ้าและขพะเจ้าก็ตรึงไว้แล้วจากโลกนี่คือการตายต่อโลกครับโลกคืออะไรครับส่วนประกอบของโลกมีอยู่3มอย่างในพระธรรมหนึ่งยนบทที่สองข้อ16กล่าวว่า เพราะว่าสารพัดซึ่งมีอยู่ในโลกคือตันหาของเนื้อหนังตันหาของตาและความทนงในลาบยศพี่น้องครับถ้า จ, จะกล่าวตามสำนวนภาษาจีนทั้งสามอย่างนี้ก็คือชื่อเสียงชื่อเสียงหมายถึงความทนงในลาบยศกําไรก็คือผลประโยชน์ตันหาของเนื้อหนังนั่นเองและความ สวยงามของผู้หญิงหรือความพึงพอใจทางเพศก็คือตันหาของตาครับพี่น้องครับในภาษาจีนนั้นเขาเรียกว่าหมิงหลี่แล้วก็เสอภาษาเต้าจิวเรียกว่าเมียหลีแล้วก็เซกเมียแปลว่าชื่อเสียงครับก็คือเกียรติยศชื่อเสียงหลีแปลว่ากำไรหรือผลประโยชน์นั่นคือตันหาของเนื้อหนัง เสกก็คือความสวยงามหรือความดึงดูดทางเพศตันหาของตานั่นเองพระกัมภีกล่าวว่าเจ้าโลกนี้คือซาตานสองโครินบทที่4ข้อที่4มันใช้3อย่างนี้ครับก็คือเกียรติผลประโยชน์และเพศทำให้มนุษย์ตกเป็นทาสของมันเอเฟซัสบทที่2ข้อ1นข้อสามมารซาตาน ทำให้ตาใจของคนถูกทําลายลงพี่น้องครับมนุษย์ตกเป็นทาสของมารซาตานด้วย3มสิ่งนี้และตาใจของมนุษย์ถูกทําลายเพราะสมสิ่งนี้เหมือนกันปรากฏอยู่ในพระธรรม2โครินธ์บทที่4ข้อที่4ครับพี่น้องครับพระเยซูคริส ต, ต์ตรัสกับเหล่าสาวกว่าพวกเขานั้นไม่ใช่ของโลก เหมือนดังที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลกนั่นคือคำอธิษฐานของพระเยซูพระเยซูตรัสถึงทาสาวกว่าพวกเขาไม่ใช่ของโลกนั่นหมายความว่าพวกเขานั้นเป็นของแผ่นดินสวรรค์ครับพระเยซูต้องการให้เราแยกตัวออกจากโลกตายต่อโลกเพื่อให้เป็นผู้ที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์ครับพี่น้องครับเมื่อเราคิดถึงและใครครวญถึงประเด็นนี้ เราจะเห็นว่าการตายต่อโลกนั้นก็คือการตายต่อความต้องการทั้ง3มอย่างนี้ก็คือเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงเรื่องของผลประโยชน์เงินทองและเรื่องของเพศเรื่องของตันหาต่างๆเราต้องตายต่อสิ่งเหล่านี้ครับประเด็นต่อไปก็คือว่าเราจะต้องตายต่อตัวเอง พี่น้องครับอย่าลืมนะครับว่าการตายมีสามอย่างก็คือตายต่อบาปตายต่อโลกและก็ตายต่อตัวเองครับพระวจนะปรากฏอยู่ในพระธรรมกาลาเทียบทที่สองข้อยีสิบโปรดฟังพจนะของพระเจ้าข้าพระเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วข้าพระเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปความเป็นศูนย์กลางของตัวเองหรือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนั้น ทำให้ความสัมพันธ์กับพระเจ้าเปลี่ยนไปนั่นหมายความว่าถ้าเรามีอีโกโอ้อีโก้ ส, สูงความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าจะเปลี่ยนไปครับและในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ก็เปลี่ยนไปด้วยพี่น้องครับตราบใดที่เรายังมีตัวเองเป็นศูนย์กลางอยู่อีโกโซเซนทริกอีโกซเซนทริก นั่นหมายความว่าความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเปลี่ยนไปแน่นอนและในขณะเดียวกันครับความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อนมนุษย์หรือคนที่อยู่รอบข้างของเราก็เปลี่ยนไปเหมือนกันเราจะเห็นได้นะครับว่าการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนตรงนี้เกิดขึ้นทันทีครับเมื่ออาดัมคิดว่าตัวเขาจะเป็นเหมือนพระเจ้าตัวเองตัวเองตัวเองตัวเขาตัวเขาตัวเขาจะมาเป็นเหมือนพระเจ้า พระเจ้านะของพระเจ้าในพระธรมรมปฐมกาลบทที่3าข้อที่ห้าทำให้เรารู้ว่าเมื่อเขาคิดว่าเขาจะเป็นเหมือนพระเจ้าแต่ในขณะที่เขาเป็นผู้ที่ถูกพระเจ้าสร้างขึ้นมามีความจำกัดเขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นมนุษย์ที่มีความจากัดและเป็นมนุษย์ที่ถูกสร้างเขากลับคิดว่าจะเป็นเหมือนพระเจ้าที่อาจจะไม่มีขอบเขตจากัดอันนั้นเป็นการยกตัวเองหรืออ e ีโกเชนทริก อย่างโง่เขลาครับอย่างโง่เขลามากทีเดียวและสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเขาได้ตกลงไปในความบาปดิ่งลงสู่การตกต่ําสิ่งที่ตามมาก็คือว่ามนุษย์กับพระเจ้าและมนุษย์กับมนุษย์ก็ห่างเหินและกลายเป็นปฏิปักษ์ต่อกันในที่สุดเขาได้สานึกและเขาอายนะเขาหันไปหลบพระเจ้าหลบซ่อนอยู่แทนที่จะเข้าไปหาพระเจ้า พี่น้องครับในชีวิตของเราก็เหมือนกันเมื่อเราดิ่งลงเหวชีวิตของเราดิ่งลงเหวเราเองนั้นจะต้องกลับใจใหม่ครับต้องรีบเข้ามาหาพระเจ้าอย่าหลบซ่อนจากพระเจ้าอย่าหลบซ่อนจากพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อเรายิ่งหลบซ่อนจากพระเจ้าพี่น้องครับชีวิตของเราก็จะยิ่งห่างและพระเจ้าก็ตามเราเสมอการตามของพระเจ้าการติดตามของพระเจ้าการสัมดงพระกรุณาของพระเจ้านั้นผ่านทางใครครับ ผ่านทางคำเทศนาผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าผ่านทางคำหนุนใจคำเตือนสติของพี่น้องของพี่เลี้ยงที่มาถึงชีวิตของเราพี่น้องครับอย่าห่างเหินจากพระเจ้าครับอย่าทำตัวให้เป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้าพูดง่ายๆในสมัยนี้ก็คือภาษาวัยรุ่นบอกว่าอย่างอนพระเจ้าอย่างอนพระเจ้าพระเจ้านั้นประทานโอกาส ที่สองให้กับเราเสมอพระเจ้าง้อเราเสมอครับเพราะพระเจ้ารักเราครับพี่น้องครับอย่ายให้เราผิดหวังพระเจ้าเพราะเหตุที่ว่าเรามีอีโก้สูงเป็นอีโกเซนทริกพี่น้องครับทุกครั้งที่เรามีปัญหากับมนุษย์ขอให้เราหันกลับมาดูตัวเองว่าเราอีโกเซนทริกหรือเปล่าเราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางหรือเปล่าไม่ว่าเราจะมีอายุมากน้อยขนาดไหนก็ตามหลายครั้งทีเดียวครับ การมีอ e ีโกเซนทริกก็ทําให้เราได้หลุดออกจากน้ำพระทัยของพระเจ้าครับทําให้เราเบี่ยงเบนจากน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ว่าเราจะมีประสบการณ์มากเพียงใดสูงเพียงใดก็ตามสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องให้กับคนที่มีประสบการณ์เยอะก็คือเขาเองนั้นต้องยิ่งถ่อมใจลงยิ่งเปิดโอกาสยิ่ง ใจกว้างยิ่งให้โอกาสกับคนอื่นๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาเห็นหลายสิ่งหลายอย่างมาเยอะมีประสบการณ์มาเยอะและจากประสบการณ์นั้นเองครับเขาเองนั้นจะต้องใช้ประสบการณ์ที่พระเจ้าให้มาโดยน้ำมันไถยของพระเจ้าโดยการสแสวงหาโดยความปรารถนาที่จะให้ตัวเองครอบครัวและ สิ่งต่างที่อยู่รอบข้างเรามีฟีโอเซนติกทีโอเซนทริกก็คือการที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางครับหรือเราเรียกว่าคริสเซนเตอร์ก็คือมีพระเยซูรคริสต์เป็นศูนย์กลางจะทำอะไรให้ถามพระเยซูก่อนครับจะวางแผนอย่างไรถามพระเยซูก่อนครับสิ่งต่างที่เราจะทำในแต่ละวันแต่ละวัน ผู้ที่มีประสบการณ์สูงย่อมต้องถามพระเยซูขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าหลายสิ่งหลายอย่างเราต้องยอมรับครับว่าเราตัดสินใจด้วยตัวเองโดยไม่ได้ถามพระเจ้าก่อนขอพระเจ้าช่วยเราครับให้เรามีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าในทุกๆวันทุกๆเวลาที่เราจะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่ยวจะวางแผน ที่เราจะมีส่วนร่วมในการรับใช้ในทุกๆอย่างขอให้พระเยซูปเป็นศูนย์กลางอาเมน